เ <SAND> จริญแล้วหรือยังวิชาคือความรู้อริยสัจสี่วีมุตคือความหลุดพ้นทำให้แจ้งแล้วหรือยังเม <underworld> ื่อพิจารณาเห็นว่าอะไรยังก็พึงพยายามเพื่อทำการนั้นๆเมื่อเห็นว่าทําเสร็จแล้วก <ค iring S 2> ็พึงอยู่ด้วยปีติปราโมทนั้นศึกษาอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืน